ขอเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศล ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่3เมษายนพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบาเพ็ญบุญกุศลเพื่อเป็นประโยชน์ ให้แก่จิตใจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนถ้าใจของเราไม่ได้รับการดูแลรักษาด้วยบุญด้วยกุศลใจของเราจะอยู่อย่างวุว่นวายอยู่อย่างทุกข์ทรมารถ้าใจของเรามีบุญกุศล คอยดูแลรักษาคุ้มครองก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างก้าวหน้าดูอย่างเจริญดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยใจของเราควรจะดูแลรักษายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดเพราะ ไม่มีอะไรจะอยู่กับเรานอกจากใจของเราเท่านั้นสิ่งอื่นทั้งหมดในโลกนี้ไม่อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปหรือเขาต้องจากเราไปเป็นธรรมดาแต่ใจนี้จะไม่ไปจากเราจะอยู่กับเราเพราะใจก็คือเราเนี่ยเองเราก็คือใจ ดังนั้นเราต้องดูรักษาตัวเราด้วยการรักษาใจร่างกายไม่ใช่ตัวเรากิเลสตัณหาความโลภความอยากไม่ใช่ตัวเราเราไม่ต้องดูแลมากจนเกินไปร่างกายก็ดูแลเท่าที่จำเป็นคือให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ไปได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอันตรายก็พอแล้วส่วน กิเลสตัณหานั้นเราไม่ควรดูแลเลยเราควรที่จะกําจัดเพราะกิเลสตัณหานี่แหละที่จะเป็นตัวสร้างความทุกข์ทรมานใจให้แก่จิตใจถ้าเราทําตามกิเลสทาตามตัณหาความอยากต่างๆมากเท่าไหร่ใจของเราก็จะวุ่นวายมากขึ้นไปทั้งนั้น ไม่ใช่จะวุ่นวายน้อยลงไปแต่จะวุ่นวายมากขึ้นแต่เนื่องจากเราขาดปัญญาขาดแสงสว่างแห่งธรรมทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าการกระทำตา ม, ตามความอยากเป็นการให้ความสุขกับเราแต่เราหารู้ไหมว่ามันเป็นความสุขแบบยาขมเคลือบน้ำตางมันสุขเพียงไม่นาน แล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นความทุกข์ทรมานใจตามมาต่อไปเพราะความอยากของเรานี้จะอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะอยากกับสิ่งที่มีความทุกข์จะอยากกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามพอเราได้มาแล้วมันก็จะกลายเป็นความทุกขขึ้นมาทันที เพราะเราต้องทุกข์กับการดูแลรักษาเราต้องทุกข์กับความห่วงใยและเราต้องทุกข์กับความสูญเสียเมื่อสิ่งที่เราได้มาจากเราไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุเป็นอย่างใ้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา นี่คือแสงสว่างแห่งธรรมนี่คือปัญญาถ้าผู้ใดมองทุกสิ่งทุกอย่างในลักษณะนี้ก็จะเป็นผู้ที่ฉลาดเพราะจะเป็นผู้ที่ไม่เอากองทุกเข้ามาเหยียบย่าจิตใจนั่นเองแต่ถ้าผู้ใดไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมนี้คือไม่มองว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเราที่แท้จริงก็จะต้องไปกว้างเอาสิ่งต่างๆมากว้างเอาความทุกข์เข้ามาสู่ใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์นั่นเองอา น, นิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนตัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราแต่เราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรม เราก็เลยหลงตามความคิดของเราพอเราได้อะไรมาเราก็จะเรียกว่าเป็นของเราทันทีได้สมบัติมาก็ว่าเป็นสมบัติของเราได้บุคคลมาก็เรียกว่าเป็นบุคคลของเราเช่นได้สามีได้ภรรยาก็เรียกว่าเป็นภรรยาของเราสามีของเรา ได้ลูกก็เรียกว่าเป็นลูกของเราแต่นี่เป็นความเห็นที่ขัดกับความจริงเพราะความจริงพระพุทธเจ้าทรงตัดสรูเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเพราะอะไรเพราะมันไม่อยู่กับเราไปตลอดนั่นเองมันอยู่กับเราได้ระยะหนึ่งนานบ้างไม่นานบ้างแล้วแต่เหตุปัจจัย บางครั้งได้อะไรมาไม่ทันไม่ทันที่จะได้ชื่นชมยินดีก็จากเราไปแล้วบางครั้งก็อยู่กับเราแล้วก็อยู่นานแต่กับสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราบางทีเราอยากจะให้เขาไปเขากลับไม่ไปเพราะเขาไม่เที่ยงนั่นเองเขาไม่แน่นอนเราบังคับไม่ได้ ถ้าเราได้สิ่งที่เรารักเราชอบเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆพอเขาไปก่อนเวลาที่อันควรเราก็เสีย อ, อกเสียใจถ้าเราได้ในสิ่งที่เราไม่ชอบมาเราก็อยากจะให้ไปเร็วๆแต่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันไม่แน่นอนเหมือนกันบางทีก็ไม่ไปเร็วๆอย่างที่เราอยากให้ไป กลับอยู่กับเราไปนานแสนนานสร้างความทุกข์ความทรมานใจให้กับเราไปนานแสนนานนี่คือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่จะมีผลกระทบกับจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นภัยกับใจไม่ได้เป็นคุณเป็นประเสริฐไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์แต่อย่างใดมีอย่างเดียวหรือมีสิ่งเดียวที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็คือบุญกุศลนี่เอง บุญกุศลนี้แลลวไม่มีพิษไม่มีภัยแก่ใจของเรามีแต่ให้ความสุขให้แต่ความร่มเย็นให้แต่ความปลอดภัยผู้ที่มีบุญกุศลหล่อเลี้ยงใจแล้วจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาโกทั้งหลายท่านอยู่อย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขท่านอยู่อย่าง ปลอดภัยเพราะท่านมีบุญกุศลคอยคุ้มครองดูแลรักษาท่านนั่นเองส่วนพวกเราอยู่กันอย่างไรเคยสำรวจ ด, ดูชีวิตของเราบ้างไหมว่าวันวันหนึ่งนี้เราอยู่อย่างโน้มเย็นเป็นสุขหรือเราอยู่อย่างว่าวุ่นขุ่นมัวเดือดร้อนวุ่นวายไปกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ใช่เรื่องของเรา เราก็ยังเอาไปมาเอามาแบกเรื่องของชาวบ้านเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้ไม่ใช่เรื่องของเราเลยแต่เราก็ยังต้องเอามาแบกในใจของเราเ <c oughs> พราะอะไรเพราะเราชอบยุ่งเพราะเราอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเกี่ยวข้องกับคนนั้นกับคนนี้กับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้อยากไปเสียหมดความอยากนี้ เป็นตัวที่ลากใจของเราหรือลากสิ่งต่างๆให้เข้ามาเหยียบย่ำใจของเราถ้าไม่มีความอยากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเราก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาใครจะเป็นอะไรมันไม่ใช่เรื่องของเราสัหน่อยใครจะดีก็ไม่ใช่เรื่องของเราใครจะชั่วก็ไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราไม่รู้เราไป ไปโยงกับทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเราไปหมดไปมองว่าถ้าเขาดีเราก็จะดีด้วยถ้าเขาเลวเราก็จะเลวตามไปด้วยแต่เราหารู้ไหมว่าความดีหรือความเลวนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่นอยู่ที่เราต่างหากถ้าเราทําดีแล้วมันมันเลวไม่ได้ถ้าเราทรําเลวแล้วมันก็ดีไม่ได้อยู่ที่การกระทําของเรา พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสัต ว, ว, วต์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นทำดีก็รับผลดีทำชั่วก็รับผลชั่วนี่คือหลักกรรมดังนั้นเราจึงควรทำความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจทั้ง ทางกายวาจาเราก็พอจะเข้าใจกันเช่น ว, วันนี้เรามาทำบุญเราก็เรียกว่าเป็นการทำดีเรารักษาศีลเราก็ทำความดีแต่ความดีทางใจนี้เราจะไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดความดีทางใจคืออะไรก็คือการไม่โลภไม่อยากนั่นเองถ้าโลภแล้วมันไม่ดีถ้าอยากแล้วมันไม่ดีเพราะอะไรเพราะจะสร้างความ วุ่นวายใจให้เกิดขึ้นมาทันที <c oughs> เวลาอยากได้อะไรแล้วอยู่ไม่เป็นสุขใจกระสับกระส่ายกังวนกวายคอย <c oughs> คอยคาดคอยหวังอยู่ว่าจะได้อย่างที่อยากหรือไม่อย่างเมื่อวานนี้หรือสองวันก่อนนั้นเป็นวันที่ออกลอตเตอรี่วันนั้นคนจะกังวลกวายใจกันเพราะมีความอยากถูกลอตเตอรี่กัน ใจก็ไม่อยู่ไม่เป็นสุขคอยติดตามข่าวว่าจะออกเลขอะไรจะออกเบอร์อะไร mm. พอ <c oughs> พอผ่านไปแล้วใจถึงจะสงบได้เพราะหายอยากแล้วเพราะไม่มีลอตเตอรี่ออกอีกแล้ว mm. จะออกอีกทีก็ต้องรอไปอีกส5บห้าวันตอนนั้นก็ค่อยมากวนกวา ย, ก ร, ยกระสับกระส่ายนะ นี่ที่พูนี้เพียงแต่ต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดจากความอยากว่ามันไม่ได้ทําให้ใจสงบไม่ได้ทาให้ใจมีความรล่มเย็นเป็นสุขแต่กลับทําให้ใจกระสับกระส่ายกวลกวาวแล้วถ้าเราไปอยากเรื่องต่างๆอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะกระสับกระส่ายกังวลกวาวไปเรื่อย เช่นเวลาขับรถไปถึงสี่แยกไฟแดงติดไฟแดงอยู่ใจก็กระสับกระส่ายอยากจะให้มันไฟเขียวเร็วๆพอมีความอยากให้ไฟเขียวเร็วๆใจก็กังวลกระวายขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความอยากทําตามไฟไฟแดงก็ปล่อยให้มันแดงไปไฟเขียวก็เขียวถ้าถ้าแดงเราก็จอดถ้าเขียวเราก็ขับรถไป ถ้าอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะไม่กักาวางวลกังวลไม่กระสับกระส่ายเ <c oughs> พราะพะพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้พวกเราปล่อยวางอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆทั้งหลายปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาแล้วเราก็ทำตามเรื่องของเขาเขาแดงเราก็หยุดเขาเขียวเราก็ไปฝนตกเราก็อยู่ในบ้านไม่ต้องออกมาข้างนอก พอฝนหยุดแล้วเราก็ค่อยออกมาข้างนอกถ้าเราทําตามความจริงโดยไม่ต้องเอาความอยากมาเกี่ยวข้องเราก็จะสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่ได้อย่างสุขอย่างละอย่างสบายถ้าสิ่งใดจะไปเราก็ปล่อยเข้าไปถ้าสิ่งใดจะมาเราก็ปล่อยเขามาเราอย่าไปรังเกียจในสิ่งที่จะมาและเราอย่าไปห่วง ในสิ่งที่จะจากเราไป้าไมเช่นนั้นแล้วเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความทรมานใจความวุ่นวายใจไปไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่คือเรื่องของใจใจต้องคิดดีการคิดดีก็คือไม่อยากไม่โลภปล่อยวางอย่างนี้ถึงเรียกว่าคิดดีอะไรก็ได้ช่างมัน ผลจะตกก็ได้แด่จะออกก็ได้คนจะด่าเราก็ได้คนจะชมเราก็ได้คนจะให้เงินเราก็ได้คนจะขโมยเงินเราไปก็ได้ <S <S ทำอย่างไรได้ถ้าเขาขโมยไปแล้วเราจะมาร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเงินมันก็ไปแล้วถูกเขาขโมยไปแล้วมาเสียใจทาไมเสียสองต่อทำไม เสียต่อเดียวก็พอเสียเงินอย่ามาเสียใจหรือเสียแฟนก็อย่ามาเสียใจแฟนเขาจะไปเราจะมาเสียใจร้องห่มร้องไห้ทำไมได้ได้เขากลับมาหรือเปล่าจากการร้องห่มร้องไห้ไม่ได้กลับมาหรอกหรือว่าจะไปโกรธไปอาฆาตพยาบาทเขามันก็ยิ่งเลวร้วายยิ่งไปใหญ่เพราะยิ่งทำให้ทุกข์ทรมานใจมากขึ้นไป แต่ถ้าเอามองว่าดีไปได้ก็ดีจะได้หมดภาระจะได้หมดหว่วงจะได้หมดกังวลถ้าคิดอย่างนี้ใจก็จะสบายมีความสุขเวลาเสียอะไรไปจะไม่ทุกข์ทรมานใจเพราะรู้ว่าไปแล้วเราสบายกว่าอยูนะ่เวลาเขาอยู่เราก็ต้องเกี่ยวข้องกับเขาต้องดูแลเขาต้องกังวลกับเขา เวลาเขาไม่อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงนี่คือการคิดดีต้องคิดไม่อยากคิดไม่โลภคิดไม่เกรดคิดไม่หลงคือไม่ยึดไม่ติดไม่ไม่คิดว่าเป็นของเราคิดว่าเขาต้องจากเราไปเสมอเมื่อไหร่เท่านั้นเองช้าหรือเร็วถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราจะไม่เดือดร้อน เวลาอยู่ก็ไม่ห่วงไม่กงังวลไม่ห่วงเพราะรู้ว่าสักวันหนึ่งเขาต้องจากเราไปแน่ๆหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเป็นธรรมดาให้เรามาหาความสุขกับการปล่อยวางดีกว่าเวลาปล่อยวางแล้วเรามีความสุขมากเวลาเราอยากได้หรือเราอยากมีหรือเรามีเราจะทุกข์มากเราจะวุ่นวายใจ เพราะมีอะไรแล้วเราก็จะยึดติดจะอยากให้อยู่กับเราไปนานๆหรือถ้าไม่ชอบก็อยากจะให้เขาไปเร็วๆรุ้ซึ่งเป็นปัญหาทางใจทางนั้นถ้าเราไม่ยึดไม่ติดไม่อยากเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องมีอะไรมากมีเท่าที่จำเป็นก็คือปัจจัยสี่เท่านั้นเองซึ่งตอนนี้พวกเราก็มีกันโคบกันอยู่ทุกคนแล้ว บ้านเราก็มีอยู่เสื้อผ้าเราก็มีใส่อาหารเราก็มีรับประทานยาเราก็มีไว้รักษาโรคเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับสิ่งภายนอกเราควรมาสร้างสิ่งภายในดีกว่าสร้างธรรมะสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการมาฟังเทศน์ฟังธรรมเมื่อฟังแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติ เราเอาไปสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลสร้างได้หลายวิธีวิธีที่ง่ายก็คือให้เราลดละสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆให้มีจำนวนน้อยลงไปมีมากแล้ววุ่นวายมีมากแล้วไม่พออยากจะได้มากเพิ่มขึ้นไปถ้าเรามีน้อยและไม่ต้องการ จะมีมากเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายตอนนี้เรามีอะไรที่มากเกินความจำเป็นที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้ก็อย่าเก็บเอาไว้เอาไปทําบุญดีกว่าเอาไปให้คนอื่นให้คนที่เขาเดือดร้อนแล้วเราจะมีความสุขเพราะเวลาที่เราให้ความสุขแก่ผู้อื่นความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเรา เช่นเดียวกับเวลาที่เราให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นความทุกข์ก็จะกลับมาหาเราเราก็ต้องไม่ไปให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นเราก็ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราต้องรักษาศีลคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤ้ิผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงเพราะการกระทำเหล่านี้จะสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น เมื่อเราให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นแล้วความทุกข์ก็จะกลับมาหาเราเพราะเราจะมีความวิตกมีความกังวลหวาด ก, กลัวกับผลที่จะเกิดขึ้นกับเราเพราะเมื่อเรา ไ, ไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อือน่นผู้อื่นเขาก็ย่อมต้องอยากจะกลับมาสร้างความทุกข์ให้กับเรานั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่ไปทําสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อือน่น เราก็จะไม่มีความทุกข์กลับมาหาเราเพราะเราก็ไม่อยากจะไปเวลาผู้อื่นถ้าเขาไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับเราเราก็ไม่คิดที่จะไปทาให้เขาทุกข์แต่ถ้าเขามาทำให้เราทุกข์เราก็คิดที่อยากจะต้องทำให้เขาทุกข์เหมือนกันดังนั้นขอให้เราสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการให้ด้วยการเสียสละ ด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วเราจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจในระดับนั้นแล้วถ้าเราต้องการให้มีความสุขให้มีความสงบมากขึ้นเราก็ต้องมาควบคุมใจของเราให้ระงับจากความโลภจากความโกรธจากความหลงจากความอยากต่างๆเพราะโดยปกตินั้นถ้าเราไม่ควบคุมเราแม่ บังคับใจของเราจะอยากอยู่เรื่อยๆจะโลภอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่เรารู้ว่าอยากนี้ไม่ดีโลภนี้ไม่ดีแต่เราจะไม่สามารถที่จะหยุดเขาได้ถ้าเราไม่ควบคุมบังคับเขาด้วยสติเราต้องมีสติคอยควบคุมดึงใจไว้ไม่ให้ไปโลภไม่ให้ไปอยาก วิธีการมีสติก็มีได้หลายวิธีด้วยกันเราสามารถดูใจของเราว่ากําลังคิดอะไรอยู่ถ้ากําลังโลภ ก, ก็หยุดมันอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราอยากได้ถ้าเราหยุดไม่ได้ท่านก็สอนให้เราใช้การสวดมนต์ไปก็ได้ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้เช่นเราอยากได้อะไร เรารู้ว่ามันไม่จําเป็นเราไม่เราไม่ได้สิ่งนี้มาเราก็อยู่ได้เราก็พยายามอยากไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากได้ด้วยการสวดมนต์ไปภายในใจสวด阿拉หังสัมมาสวาขาโตสุปฏิปันโนไปก็ได้หรือเราจะบริกรรมพุทโธพุทโธไปในใจก็ได้หรือเราจะนับหนึ่งสองสาไปเรื่อยๆก็ได้นับหนึ่งถึงร้อยแล้วก็นับถอยหลังกลับมา ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เราไม่ไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้พอเราสวดมนต์ไปหรือบริกรรมพุทโธไปหรือรับหนึ่งสองสาไปไม่นานใจของเราก็จะลืมเรื่องที่เราอยากได้แล้วใจของเราก็จะกลับมาอยู่ในสภาพปกติไม่กังวลกวาวไม่กระสับกระสายแต่เราต้องพยายามทำตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นจนจนถึงเวลาหลับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามให้มีสติควบคุมใจของเราให้อยู่กับการกระทำของเราและไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ไปโลกไม่ให้ไปโกรธกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ให้รู้เฉยเฉยรู้ว่ากำลังทำอะไรรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นเช่นรู้ว่ากำลังมีคนด่าเรา ก็ให้รู้เฉยๆแต่อย่าไปโกรธต้องควบคุมความโกรธถ้าจะเกิดความโกรธขึ้นมาก็ให้นับหนึ่งสองสามไปหรือให้สวดมนต์ไปหรือให้บริกรรมพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงคนที่กำลังด่าเราคนที่กำลังว่าเราทำเป็นหูทวนลมไปอย่าให้เอาเข้ามาในใจให้เข้าหูซ้ายแล้วออกหูขวาไปถ้าเราทำอย่างนี้ได้ เราจะทนกับการด่าของคนอื่นได้เขาจะด่าไปยังไงเราก็ทำเป็นหูทวนลมไปเพราะใจเราไม่รับเอาเข้ามาในใจของเราเรามีเกราะคุ้มกันเรามีการบริกรรมเรามีสติเรามีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปรับรู้เสียงด่าของเขาให้ย่ให้รู้อยู่กับพุทธโธให้รู้อยู่กับบทสวดมนต์ หรือให้รู้อยู่กับการนับหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆรับรองได้ว่าเขาจะด่าจนปากเดียดปากฉีแต่เราจะไม่เดือดร้อนเลยเราจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแล้วในที่สุดเขาก็จะต้องหยุดไปเองเพราะเหมือนกับเวลาที่เราดา่าด่าต้นเสาอย่างนี้เป็นต้นด่าไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวต้นเราก็เหนื่อยไปเองเราก็ต้องหยุดไปเอง พราะต้นเสามันไม่ตอบโต้เรามันไม่สแสดงอาการอะไรทั้งสิ้นมันเฉย อ, อย่างเดียวจันใดถ้าเราทําใจของเราให้เฉยได้แล้วต่อให้ใครเขาว่าเราอย่างไรมากน้อยเพียงไรในที่สุดเขาก็าต้องหยุดไปเองพอเพราะเขาจะต้องเหน ười, เื่อยเขาจะต้องเมือ่อยแล้วก็เห็นว่าไม่ได้ผลอะไรเขาก็เลยต้องหยุดไปหรือเขาได้ระบายพอแล้ว บางทีเขาเพียงอยากจะระบายความโกรธแค้นที่มีอยู่ภายในใจเท่านั้นเองเขาไม่มีเจตนาที่อยากจะด่าเราเพียงแต่ว่าความโกรธแค้นในใจของเขามันร้อนมันทรมานใจแล้วก็ปล่อยให้เขาระบายไปพอเขาระบายจนหมดแล้วเขาก็หยุดไปเองเราอย่าไปตอบโต้เพราะว่าถ้าเราไปตอบโต้แล้วเรากลับไปสร้างความแค้นให้มีมากขึ้นไปแล้วเขาจะไม่หยุดระบายเพราะเราไป เติมความแค้งให้เขาอยู่เรื่อยๆนั่นเองด้วยการไปตอบโต้ด้วยการไปโต้เถียงหรือด้วยการเกิดกระทําอะไรที่ทําให้ก็เกิดความโกรธแค้นมากขึ้นมาดังนั้นขอให้เราพยายามควบคุมใจของเราให้นิ่งให้สงบอยู่เรื่อยๆด้วยสติอย่าไปอยากเห็นอะไรก็อย่าไปอยากได้พอเห็นอะไรอยากได้อะไรที่เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องได้มา ก็อย่าไปยุ่งกับมาหาพุโทโธกับมาหาบุตรสวดมนต์หรือกลับมานับหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆแล้วใจของเราจะนิ่งจะสงบจะสบายนี่คือเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ใจของเราถ้าเราสามารถทำอย่างที่ได้แสดงไว้อย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเวลาใจของเรา จะอยู่เหนือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆใจของเราจะมีแต่ความสุขท่างการท่ามกลางความวุ่นวายใจท่ามการเหตุการณ์ที่วุ่นวายต่างๆไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรก็ตามเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือเหตุการณ์ที่อยู่ไกลตัวเราจะไม่สามารถมาทำให้จิตใจของเราว้าวุ่นขุ่นมมวได้เลยเพราะใจของเรามีบุญกุศล ไว้คอยคุ้มครองคอยป้องกันนั่นเองจึงขอให้พวกเราพยายามสร้างบุญสร้างผู้สนกันด้วยการเสียสละด้วยการให้ด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาหลับรับรองได้ว่าใจของเราจะอยู่อย่างปกติสุดจะไม่วุ่นวายใจจะไม่เดือดร้อน ว่าจะมีมากหรือมีน้อยไม่สาคัญใจไม่ได้มีมากหรือมีน้อยตามสิ่งที่มีมากหรือมีน้อยใจก็เป็นใจเหมือนเดิมใจต้องการความสงบเท่านั้นต้องการการระับจากความโลภจากความโกรธจากความอยากต่างๆดังนั้นขอให้เราจงดูาะดูความโลภ ความอยากความโกรนนี้เป็นเป้าหมายอย่าให้มันเกิดขึ้นในใจของเราเพราะมันจะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้แก่เราจึงขอฝากเรื่องของการดูแลรักษาใจด้วยบุญกุศลนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความนุ่มเย็นที่จะตามมาต่อไป